เพราะความเจริญในธรรมจะมีแหละท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมวงปูพธิยานในวันนี้จะพูดเรื่องทานในช่วงต่อไปคือทานประเภทต่อไปนั้นเป็นการมองจากเหตุให้ปราเพื่อจะให้ทานตอนจำแนกไว้เป็นสามประภาสามประการดร้วยกันการแรกเรียกว่าโลกาทิปตยทาน คือการทำทานที่ประลบคนส่วนมากเป็นใหญ่คือทำเพราะต้องการในคนอื่นยกย่องสรรเสริญหรือว่าทำเพราะกลัวว่าก็จะดิดทาเอาก็เป็นไปตามกระแสของชาวโลกแต่ทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้บุญดอกเพียงแต่ว่าบุญมันมน้อยเพราะว่าจิตใจยังเจือด้วยกิเลสอยู่เยอะ กลัวเขาจะไม่ยกย่องสรรเสริญก็แสดงว่าทำด้วยความโลภกลัวเ้าจะทุ่งติ่งตําหนิก็แสดงว่าทำด้วยความหลงือยังไม่ได้สามารถใช้เหตุผลในเรื่องของทานได้ประการต่อไปก็เรียกว่าอัตตาทิปไตยญาทานคือการทําทานที่ประลบตนเองเป็นใหญ่เจนเชื่อว่า เราเป็นคนมีทรัพย์คนอื่นเขาไม่มีทรัพย์เราประกอบอาชีพคนอื่นไม่ได้ประกอบอาชีพเดี๋ยวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเป็นต้นแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลอื่นก็เป็นความสำนึกที่ดีนะฮะคือไม่หวงใหญ่แมอะไรตัวเอง จะมองความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเป็นเรื่องที่ควรจะแก้ไขบำบัดบำรุงรักษาตามสมควรแก่ฐานะประการต่อไปธรรมาธิปไตยทานคือการดำทานที่ประรบธรรมเป็นใหญ่จัดเป็นทานบารมีคือมุ่งผลในการขัดเกลีจิตใจมุ่งผลในการประดับจิตใจมุ่งที่จะให้เป็นบารมีธรรม ที่จะนำตนมดหลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดถึงหลุดพ้นจากสังสารวัฏเจงการมาเป็นทานบารมีของพระโพธิสัตว์ของพระยาสาวกทั้งหลายเนี่ยคือท่านป้าจะไม่ยุ่มยิ้มในเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเห็นว่าเป็นการดีแล้วก็ให้ต่นั้นเองเป็นการสะสมมาปรมบารมีให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งท่านจัดขึ้นไว้เป็นสามประเภทเหมือนกัน ในทานสูตรทานวัตรคุตัลนิกายคือการให้ทานด้วยศรัทธาหมายความว่าศรัทธาในผู้รับศรัทธาในตัวเจตนาหรือศรัทธาในทานในทานกรรมคือกรรมคือการให้ทานแล้วก็ให้ทานออกไปโดยอาศัยหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา หรือกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจเอาจจะปราบความเชื่อความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระปุถิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านได้ให้ทานแล้วเราก็เห็นว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีและเกิดสตางคเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านก็เลยให้ทานตามไปด้วยประธานโดยไปให้ให้โดยหิริและมีความรู้สึกสํานึกว่า การไม่ทําความดีนั้นเป็นเรื่องที่ร่าดละอายเพราะว่าการได้สฐานะต่างๆในสังคมข อ, องเรานั้นเกิดขึ้นมาจากการกระทําความดีควรควรจะสืบสานความดีต่อไปโดยลําดับและคนเหล่านี้ก็ให้ทานออกไปประการต่อไปเป็นการให้ทานอันหาโทษเป็นได้คือหมายความว่าในด้านของปัจจัยที่นํามาบริจาคนั้น เป็นปัจจัยที่ได้มาในทางที่ชอบทำไม่ชอบโกงไม่หลกลวงไม่ปลอมแปลงไม่ปิ่มป้อนใครมาเพื่อให้ทานแล้วก็เจตนาทั้งสามการคือก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้เป็นเจตนาที่ดีแล้วก็ตนเองก็อยู่ในศีลในการเลีณธรรม กูรับทานเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาภาษาธาเป็นที่ตั้งแห่งความต้องรับภางดีเป็นที่ตั้งแห่งความพคารพนับถือตลอดถึงเป็นที่ตั้งของความเมตตากรุณาตา่างๆแล้วก็ให้ทานออกไปเหล่อ น, นี้จัดเป็นทานที่เรียกว่าอนหาโทษไม่ได้ประการต่อไปท่านจำแนกว่าเป็น4ีประการเหมือนกันประการแรกก็คือเจตนาทาน แ, แก่แกเจตนาเจตสิกที่ประกอบด้วยมหากุศสนในจิตเป็นเอเรียงการให้ทานประกอบด้วยความโสมนัสประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยเจตนาอาจจะมีคนกระตุน้นหรือไม่กระตุ้นก็ตามแต่ว่าตนเองมีความปิติโสมนัสแต่บางครั้งบางคราวก็ประกอบด้วยเบคาแต่ว่าประกอบด้วยปัญญาด้วย ก็ให้ทานออกไปทานในลักษณะนี้ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเจตนามีความสําคัญมากในการให้ทานเพราะว่าในกระบวนการของกรรมเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเ ร, รากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้วก็ทกรรําการโดยกายโดวยวาจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจ ก็ถือว่าเป็นกรรมคือการกระทำวัตถุทานได้แก่ปัจจัยสีที่เป็นเทยธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรแก่การให้อาภามใบของบางอย่างนี่ก็ห้ามไม่ให้ทานให้ทานแล้วก็ไม่จัดเป็นทานซึ่งจะกล่าวในภายต่อไปแต่นี่เป็นของที่ควรแก่การให้ให้ไปแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ แล้วของนั่นแม่จะไม่ให้ก็เป็นประโยชน์แก่เราการได้ออกไปแสดงถึงน้ําใจที่มีความเสียสละเห็นคุณค่าของการให้ทานและบริจาคทานออกไปประการต่อไปอโลมพทานก็ได้แก่อโลภะเจตสิกที่ประกอบเป็นเจตนาเจตสิก ค, คือเป็นเหตุให้ทานโดยความไม่โลภเนี่ยเพราะถ้าเรายังโลภในสิ่งเหล่านั้นอยู่ เราก็ให้วัตถุสิ่งนั้นไม่ได้เป็นในขณะเดียวกันเท่าจะยังโกรธคนที่เราให้อยู่เราก็ให้ไม่ได้การให้ทานยังเป็นการลดทั้งความโลภความโกรธและความหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในตัวคนนี่เราต้องไม่โกรธในตัววัตถุเราต้องไม่โลภในเจตนาเราต้องไม่หลงแต่ว่ามีปัญหาสักจุดหนึ่งเช่นว่า ไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้บาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกเนี่ยเราก็ไม่ให้หรอกมันต้องมีเหตุผลมีสติปัญญาในการมองในการคิดในการวิเคราะห์ตัดสินใจในเรื่องทั้งหลายแล้วก็วิรติทานคือได้แก่วิรัตเจตสิกที่เป็นเหตุได้ลงงดเว้น เราเต็นว่าในวิรัตทั้งสามประการเนี่ยหมายความว่ า, าในศีลสามข้อแรกเป็นลักษณะของการให้ทานแต่มันมีความประนีขึ้นไปอัหนึ่งเช่นข้อที่หนึ่งก็เป็นอภัยทานการทีร่เราไม่ฆ่าคนอื่นเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเจตนาที่ประกอบด้วยเมตตาหรือประกอบด้วยความบาปบุญบาป กัวบาอะไรอะไรก็ตามนะี่ยก็เป็นเหตุให้เราไม่ไปฆ่าไม่ไปวัตถุสรายบุคคลอื่นนั่นก็แสดงว่าเป็นเป็นอภัยทานแล้วก็การไม่ถือว่าสิ่งของที่ของก็ไม่ได้ให้ก็แสดงว่าบรรเทาความโลภในวัตถุสิ่งของของบุคคลอื่นออกไปจนสามารถควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้ไปละเมิดในสิทธิทรัพย์ ส, สินของบุคคลอื่น การสํารวมระวังในทางเพศไม่ไปล่วงละเมิดในทางเพศก็ถือว่าเป็นทานระดับหนึ่งแต่เป็นทานประเภทอภัยฐานนะครับก็เรียกว่าจะเป็นอภัยฐานทั้งภายในและภายนอกหมายความภายในจิตใจของเราก็มีความรู้สึกที่ดีเช่นมีเมตตาต่อคนเนี่ยมีเมตตาต่อคนมีความสํารวมในทรัพย์สินมีความสารวมระวังในทางกรรมวัตถุการมทั้งหลาย ประการต่อไปท่านจนําแนกไว้เป็นห้าเป็นห้าข้อด้วยกันหาข้อนั้นบางครั้งบางคราวก็มีความต่อเนื่องถึงกันนะนะคือหมายความว่าเราให้ทานแล้วก็มีความต่อเนื่องถึงกันในเรื่องเดียวกันนั่นเองต่อเนื่องกันไปการให้โดยศรัทธาคือความเชื่อมั่นในในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในผลของกรรม เชื่อมั่นในการทิศษทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเหนื่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอะไรไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในพระพุทธคุณคือเชื่อว่าการให้ทานนั้นดีแล้วก็ให้จึงแสดงให้เห็นว่า ทานที่บุคคลให้ไปนั่นมันเกิดขึ้นจากปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการพิจารณาแล้วก็ส ก, กัดจากทานคือการให้โดยความเคารพเคารพต่อเจตนารมณ์เคารพต่อคนที่เราให้เคารพต่อ ว, วัตถุที่เราให้เขาแล้วเคารพในตัวเองว่าเป็นสํานึกที่กรอบด้วยเหตุผลสติปัญญา ในการไปจากทานลงไปแล้วการละทานคือให้ทานเหมาะสมกับการก็ขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรที่เราให้ทานจะให้ทานกตินทานในการกถรินให้ทานในคราวที่เกิดความแพงแรงอดจากกิ้วโหวยให้ทานในคราวเกิดสาธารณภัยให้ทานในคราววัน พระวันโกนเป็นต้นเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งวันเทศกาลนั่งหลายแล้วเหมาะสมแก่การแต่วันแนวพวกให้ทานตามยุคตามสมัยเนี่ยบางคราวบางคราวก็ต้องคิดมากบางกันเพราะว่าเราให้ไปเยอะเช่นว่าทําบุญตักบาตรในเทศกาลมาฆวาาิสารขาอาสารห ข้าพัรศ า, ออาโอปันศาเนี่ยโอโหมหาศาลมากๆพระรับแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเพราะว่ามีมากจนเกินไปก็ทํำยังไงว่าทําพอเป็ น, พ อ, ปนพอเป็นกิริยาบุญคือต่างคนต่างอย่า ม, มุ่งตักบาตรได้มากเกินไปก็เรียกว่าพระพอ ร, รับตามสบายโยมก็หมดของของก็หมดพอดีแต่เหลือก็เอาไปเลี้ยงดูกันภายในครอบครัวไม่ต้อง พยายามตักให้จนหมดกบพอหมดก็ไปเหลือที่วัดต่อมันสู้ที่เหลือแล้วก็จะให้ทานต่อก็ได้นะหรือ ว, ว่าจะนำไปบริพกใจส้อยภายในบ้านก็ได้าการให้ทานที่เหมาะสมแก่การละแก่เทศาแก่ฐานะของบุคคลเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีสุขเป็นผล ปนทาไม่ดูการละเทสะจะโรากาลังขาดแคลนเดือดร้อนอยู่แล้วไปให้ทานอย่างนี้ไปให้พวกวัตถุทานถ้าขาดแคลนเดือดร้อนอยู่ให้อภัยฐานให้ธรรมาทานเนี่ยก็พอทําเ่าแต่ถ้าไปให้วัตถุทานมันก็ซ้ำเติมตัวเองให้เดือดร้อนไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตำหลักของพระพุทธศาสนา โราการให้ทานในความหมายของพุ菩า那นานั้นจะต้องมีผลออกมาเป็นความสุขเสมอแต่ผลไม่ออกมาเป็นความสุขก็ไม่ชื่อว่าเป็นการให้ทานที่ถูกต้องประการต่อไปก็เรียกว่าอนุก伽หิตาทานคือการให้ทานโดยการสละอย่างแท้จริงเป็นการมองเห็นโทษของความเสนีห์ มองเงินโตกของความโลภมองเงินคุณของความไม่สนี่มองเง็นคุณของความไม่โลภมองเห็นคุณของการให้ทานมองว่าสิ่ ง, งเหล่านี้เป็นสมบัติที่ติดตัวเราไปจริงเมื่อเงาที่ติดตามบุคคลนั่นไปแล้วก็เสียสละเป็นเครื่องประดับจิตคือมองไปในแนวเป็นเครื่องประดับจิตหรือทำจิตของตนเองให้ดีขึ้น อนุประหัตจะทานการให้ทานโดยไม่มีการกระทบกระทั่งตนเองและบุคคลอื่นคือตามปกติแล้วเนี่ยการให้ทานนั้นมันขึ้นอยู่กับความพร้อมภายในใจของบุคคลในความพร้อมที่ถือว่าสําคัญนั้นก็คือศรัทธาเรามีกําลังมากพอไหมกําลังทรัพย์เรามีกําลังพอจะให้ได้ไหม ถ้าทังสองประการมีพอจะให้ได้เช่นกับบังทรัพย์น้อยศรัทธามากเนี่ยให้ตามกระ บ, บังทรัพย์ถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากก็ให้กับบังศรัทธาถ้ามากโดยการหรือน้อย้วยกันเนี่ยให้ตามกั บ, บังอะไรก็ได้ให้อย่างนี้ไม่เป็นการกระทบตัวตนเองกระทบตัวบคุคคลอื่นนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยไปทำประกวดประขันกัน เพื่ออวดดีใครให้ได้ของมากกว่าสวยกว่าแพงกว่าประนี ก, กว่าะะอะไรต่ออะไรทำให้คนอื่นก็เกิดต่อสู้ขึ้นมาแล้วในสุดก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายในสมัยโบราณเนี่ยเราพบในหลักฐานคำร์นิบอยนะว่ามีการให้ทานเพื่อแข่งขันกันต้องการเอาชนะฆ่าขันกันมันดีในกรอีกเป็นทานแต่ว่า ถ้าคนคนเดือดร้อนอยู่แล้วก็ลำบากเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาประการต่อไปนั่งท่านจำแนกไว้เป็นแปดประการบางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานในลักษณะที่มุ่งผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นสมมติว่าคนบางคนแตงสละกินแบ่งเอาไว้ประวันสละกินแบ่งออกก็ไปถักมุดดักบาทอธิษฐานให้ถูกสละกินแบ่ง เป็นการลงทุนเล็กน้อยแต่ต้องการจะได้กําไรมากมากมันก็มีอยู่มากในะแนวแนวเนี้ยพอถึงวันอะไรสําคัญเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ไปทําบุญตักบาตแล้วก็อธิษฐานเรียกร้องมากมายกายกองเลยเกินกทุนที่ลงทุนไปนิดเดียวแต่เรียกรอ้องอเรียกร้องมากอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการอหิษฐานที่หวังผลตอบแทนในเชิงที่เป็นรูปธรรมมากเกินไปกลายเป็นเรื่องที่น่าสังเกต แต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกว่าไอเหตุกับผลก็บังขัดแย่งกันถ้าคนเราตักบาตทัพพีเดียวตักบาตถ้วยเดียวถูกหวยกันแล้วก็คนก็ไม่ต้องทํามากินอะไรนะจองตักบาตวันหวยออกแทงหวยไปแล้วต้องตักบาดแล้วก็เสร็จแล้วก็ถูกอย่างนี้ก็สนุกกันคือมันไม่มีเหตุผลในตัวของมันดังนั้นท่านจึงถือว่า เป็นการให้ทานที่อย่างมากไปด้วยโลภะหมายความว่าทําไม่ได้ตามที่ตนอยากได้ก็จะเกิดโทสะหรือว่าเกิดโศกะคือความโศกมีความยินดียินร้ายนะพวกไง ย, ยินดียินร้ายที่ให้นะเพราะยินดีที่จะได้จึงได้ชิงหนึ่งมาตอบแทนจากการให้เพราะเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยถ้าได้แล้วก็ได้ใจนะฮะ คือกำเริบเสื่อสารก็ทำต่อไปต้องการย้านายผลประโยชน์ตอบแทนต่อไปถ้าไม่ได้เราก็เสียใจไม่พอใจก็ทำให้จิตใจเวียงไประหว่างโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะแล้วก็โศกะคือความโศกบางคนให้ทานประกลัวกลัวคนก็จะว่ากลัวคนก็จะตําหนีทุวงติง กลัวจะไม่เป็นที่รักของคนอื่นกลัวจะไม่ได้พวกพ้องกลัวจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่นใดๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปร่วมกับเขานี่ก็ทรงแสดงไว้ในฐานะสูตรเหมือนกันนะฮะในฐานะวักอังคุตรนิกายคือทรงแสดงไว้พวกอังคุตรนิกายนี่จะเยอะเจ็ดข้อบางห้าข้อบางสามข้อบางเป็นปริยายที่ทรงแสดงธรรมะแก่คนใน โอกาสแตกต่างกันออกไปจากย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาได้ให้แก่เราแล้วอันนี้เป็นเรื่องของสํานึกคุนเกิดขึ้นด้วยความกตัญญูกตวเวทีคล้ายๆกับเราให้แกพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ให้แกเรามาก่อนเราก็ให้แกพ่อแม่ก็เกิดสํานึกคุณขึ้นมาที่จริงทั้งหมดมันก็ดีด้วยกันนั่นแหละ แต่ว่าดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเจตนาเพราะว่าทานทั้งหมดหรือว่าการทํากรรมทั้งหมดจะเป็นกุศลหรือกุศลก็าตามมันขึ้นอยู่กับเจตนาว่าเจตน า, า, เตนามเป็นยังไงแต่เจตนาดีเจตนาเมืส่สนมากมันก็ดีแหละแต่จะดีมากหรือดีดน้อยแต่นั้นเดงบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทน อันนี้เป็นการสมเคราะหโดยหวังผลคล้ายๆกับที่นกแกะต้าโพธิสัตว์ซึ่งได้เอ า, ข, าข้าวสาลีในนาของชาวนาไปเป็นจำนวนมากแล้วเมื่อชาวนาจับสอบถามแกก็บอกว่าแกได้เอาไปกินส่วนตัวหรอกแต่ว่าบางอย่างก็เอาไปใช้นี่บางอย่างก็เอาไปให้กู้บางอย่างก็เอาไปฝังซั์ไว้บางอย่างเอาไปฝังไว้ บางอย่างก็จริ้งลงเหวการให้กู้นั้นก็คือเลี้ยงอนุชนเลี้ยงนกเล็กๆ ล, ลูกนกก็เวลาตัวชราลงไปลูกนกก็ได้เลี้ยงตัวการใช่นี่ก็คือเลี้ยงดูบุปการีเป็นการใช้นี่แก่ท่านการฝังไว้ในแผ่นดินนั้นก็คือให้แก่นกที่ชราซึ่งไม่สามารถออกไปหากินได้เป็นการทําบุญ เป็นบุญญาณิธิคุ้มทรัพย์คือบุญที่เก็บเอาไว้เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวตักตวงผลประโยชน์ในโอกาสต่อไปแส่วนหนึ่งก็ทิ้งเหวก็ได้แก่การกินนะฮะกินมเหมือนก็ทิ้งลงไปในเหวมันไม่รู้จักอ<ต>ิ่มสักทีน่กินได้เรื่อยๆไม่รู้จักหมดจากสิ้นอีกประการหนึ่งนั่นคือท่านคิดของท่านน่ะประการให้ฐานเป็นการดีแล้วก็ให้ มันจําเป็นใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครยกย่องหรือไม่ยกย่องจะได้อะไรหรือไม่ได้แต่ได้ความสุขใจก็พอแล้วรู้สึกว่าเออมันสุขใจดีมันได้มันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในบุคคลอื่นในบูชาความดีของบุคล ค, บคลอื่ น, นในสมครับบุคคลอื่นแต่แสดงความมีน้าใจต่อบุคคลอื่นรู้สึกว่ามันเป็นการการะทำที่ดีแต่ท่านก็ทําลงไปก็ต่อไปให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินได้จนเหล่านั้นหุงหากินไม่ได้ อันนี้หมายถึงให้ทานแก่สมามณะพรามทั้งหลายนี่พวกนักบวชทั้งหลายพวกนักบวชไม่ประกอบอาชีพอย่างที่ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพเป็นวิถีชีวิตที่ฝากท้องไว้กับคนอื่นตนเองก็มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ดูแลรักษาองค์กรไปคนที่ศรัทธาเลื่อมใสเขาก็ธนุบำรุงด้วยจะตุปัจจะสี่ก็ในปัจจัยเหล่านั้นก็มีอาหารอยู่ด้วย คนคนเหล่านี้ก็คิดไม่มากคิดไม่หยุมหยิมคิดว่าเราในหุมกินได้ท่านหุมกินไม่ได้เราก็ช่วยเหลือท่านมีมีกินมีอยู่ก็เป็นการบําเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นบางคนมองในแนวของชื่อเสียงว่าเมื่อมีการให้ทานแล้วชื่อเสียงเกียรติคุณจะ ฟุ้งกระจายไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายอย่างในสมัยปัจจุบันในพิธีกรรมต่างๆที่มีการบริจาคผ่านสื่อทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์เราเห็นว่าชื่อเสียงจะได้รับการยกย่องยอมรับของบุคคลทั้งหลายเพราะว่าเขาจะนําไปประกาศนําไปโฆษณา ทำสะดุดียกย่องแสดงความชื่นชมบางคนก็ทํามากๆ ก, ก็ได้โลกเกติยตได้เสาเสมาธรรมจักได้ไรต่อไม่อไรก็แล้วแต่บางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงจิตประดับจิตหมายความว่าความคิดของท่านไม่ไม่ยุมหยิมมากเพียงแต่ว่าทํายังไงให้จิตใจท่านมีคุณค่า ม, มีความสงบมีความเย็นแล้วก็ให้ทานออกไป ทั้งหมดเป็นกุศลและเจตนาแต่ว่าเป็นการประลบถึงเจตนาเป็นเหตุให้ให้ทานของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดก็เป็นบุญด้วยกันเพียงแต่ตักแตกแตก ต, ต่างกันในด้านรายละเอียดท่านฟังทั้งหลายใตร่มพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบุญในธรรมยมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี